คือว่าในด้านของท่านพระอัตถกถาจารย์เวลาท่านจะกล่าวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะขยายความตามพระพุทธพจน์ท่านพูดถึงในเรื่องของคําว่าอาสาธารนสม牟ฐานกล่าวถึงสาเหตุในการแสดงพระสูตรโดยเฉพาะด้วยคําว่าพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตร ต, ต่างๆนี่นะจะแบ่งเป็นสาธารนสม牟ฐานแล้วก็อาสาธารนสม牟ฐาน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 ทีนี้ในบรรดาทั้งสาธารณะและอาสาธารณะนั้นท่าน ก, มาก็มาแยกแยกว่าถ้าสาธารณะสมุทรฐานนี่นะเหียแห่งการแสดงธรรมโดยทั่ ว, วไปท่านก็มาแยกเป็นสองประการเป็นอัจฉติกะสาธารณะสมุทรฐานอันนั้นแปลว่าสมุทรฐานภายในแล้วก็พาหิระสาธารณะสมุทรฐานเนี่ยนะอันนั้นแปลว่าสมุท ส, สมุทฐานที่อยู่ภายนอก ฉะนั้นในบรรดาสาธารณาสมุทฐานสองประการนั้นก็คือสาธารณะที่เป็นอัจฉติยะสมุทฐานก็หมายถึงว่าพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดาคือพระพุทธดำ ร, ร, ริในการจักแสดงธรรมเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ได้บังเกิดขึ้นในพระหาไทยของพระผู้มีพภาคเจ้าซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยการกระตุ้นเตือนจากพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดาเนาะ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 คือกระตุ้นเตือนว่าพระองค์จะผูกใช้ปัญญาของพระองค์ใช้มหากรุณาของพระองค์เนี่ยนะในการที่จะผูกบารมีทั้งสิบประการอุปบา ร, รมีสิบแล้วก็ปารมาธบารมีสิบเข้าไว้ในตนเข้าไว้ในหาไทยของพระองขอ ง, ของท่านตอนที่ท่านเป็นว่าโพธิสัตว์เนี่ยนอกจากจะผูกบารมีทั้งสามสิบทัศไว้ในหาไทยในจิตใจของท่านแล้วยังไม่พอเนาะ ท่านก็ยังผูกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ในสามภพในกามาภ พ, พรูปภ พ, พแล้วก็ในรูปภ พ, พไว้ในตนด้วยแปลว่าผูกบา ร, รมีไว้ในตนแล้วยังไม่พอยังต้องผูกสัตว์ไว้ในตนด้วยนั้นคือพระหาไทยลร้นจิตใจของพระผู้มีพระายาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าไม่ผูกเข้าไว้เนี่ยถามว่าจะทําทําไม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 และในบรราสัตว์อื่นในที่นั้นก็คือเราเนี่ยแหละที่มานั่งกันอยู่นี่ยแหละพระองค์ก็โภกพวกเราทั้งทั้งหลายเนี่ยไว้ในในท่านด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นเนคขมะเป็นปัญญาเป็นวิรยิยะเป็นต้นเหล่านั้นเนะ่ะเพื่อใครใช่ไหมเพื่อในการที่จะขนสัตว์เพื่อในการที่จะเอาพระธรรมนั้นฉโลมจิตใจสัตว์โลกให้สัตว์โลกนั้นได้รับปราโมดปีติปสัสสิและความสุข ได้สมาธิได้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์รู้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าฮาไทยนะฮาไทยของพระองค์ผูกสัตว์ไว้เกิดขึ้นจากการแรงกระตุ้นเตือนของมหากรุณาที่คุณที่เห็นคนอื่นแล้วมันทนไม่ได้ใช่หมหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเออเราหนาวเนี่ยโดยมากเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเ้าหนาวนะ เราหิวอยู่เรากินดีอยู่ดีเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขาไม่มีจะกินเนี่ยเนี่ยเราอยู่ที่สบายสบายเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขากาลังเดือดร้อนกันแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นแต่น้ําใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยของพระบรมศาสสะดาไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บอกว่านี่ไงสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังเต็มไปด้วยห่วงมหันต์คือความทุกข์ทั้งหลายนี่เนะ่ที่ต้องดิ้นรนไปในกัณดานกล่าวคือภพทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็ เจ็บปวดเจ็บปวดในที่นั้นก็คือจิตใจของพระองค์เนี่ยทนไม่ได้เขาเรียกว่ามันกระเทือนมันสะดุ้งกระเทือนในที่นั้นหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้ในการที่ถ้าตนเองจะตัดสู้เนี่ยปฏิญญาณในใจก็เกิดขึ้นมาว่าเราจะทําให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วยถ้าเราข้ามสังสารวัฏได้จกให้คนอื่นข้ามด้วยเนี่ยถ้าเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นภายใน เป็นภายในนะต้องดูแลเดินหรือนะเป็นภายในว่าพระดำริในการแสดงธรรมเทศนาแก่เหล่าเวนยัยสัตร์ได้บังเกิดขึ้นแล้วในพระอภัยของพระผู้มีประภาคซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นเตือนจากมหากรุณาที่คุณ น, นั่นแหละสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงแลดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักรสุเพราะทรงมีผ้ามหากรุณาที่คุณต่อเวเนยสัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจะตรวจดูกลุ่มเวเนยชนเนาะเวนยสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่าเนี้่แม้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อไหมพระองค์ก็จะตรวจดูแม้แต่เราท่านทั้งหลายเนี่ย กระแสของรูปนามขันห้าของสัตว์ทั้งหลายแม้ของเราทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับพระเจ้าองค์ก่อนมาบ้างไหมเนีเคยทําบุญมาบ้างไหมเคยตั้งอัธยาศัยในการเจรแทงตลอดไหมและบา ร, รมีในการสั่งสมมานั้นเหมาะแก่การที่จะตัดสรุนะช่วงนี้หรือจกไม่ตัดสลุถ้าไม่ตัดสลุเออควรจะได้อริยทรัพย์อะไรควรจะได้สลาณะพระองค์ก็ให้สลาณะ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 ใหมเวลาตรึกหรือไข้ควรเจริญพุทธคุณก็เจริญไม่ออกเนี่ยนะประการต่อมาคือไพ่ลาสมุตรฐานก็คือไพยลาสาธารณสมุตรฐานหมายถึงหมายถึงอะไรท่านนับจากในคัมภีร์สายนอกบ้างหรือคัมภีร์ชั้นดีกาต่างๆเป็นต้นบ้างหรืออัธกถาสายนอกสายในต่างๆคำว่ายี่สิบอสงไขยิ่งด้วยแสนครับเห็นไหม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 ก็จะเห็นบอกว่าเออพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับแรงกระตุ้นจากพรมชั้นนาคาตอนนั้นท่านตรวจดูว่าโอ้โในสุทาวาสนี่หลงเหลืงมากแปลว่าผ้านาคาล่อยหลอไม่ค่อยมีผ้านาคาไปอุบัติเกิดขึ้นมาเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็แปลว่าในสุทาวาสพรม สัตว์โลกที่ไปเกิดอยู่ในบนนั้นก็คือผ้านาคาใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นผ้หาหันกันอยู่บนนั้นพอเป็นผ้าหันไปเสร็จ บ, บางท่านก็ท่าน ก, านก็ปรินิพานในช่วงระหว่างอายุช่วงไหนอย่างไรของท่านเนี่ยท่านเบื่องท่านหนึ่งท่านก็ปรินิพานหนีไปเรื่อยใช่ไหมหลังจากเป็นพระ้หาหันแล้วเนี่ยอังก็น้อยลงน้อยลงใช่ไหมใช่ไอ้ที่ไปเกิดใหม่ไม่มีประชากร น, น้อยเพราะประชากรในสุทธาวาสน้อยพอน้อยขึ้นมาเริ่มเดือดร้อน เดรลอนก็เริ่มดูลงมาแล้วเอ๊ะใครน้อยจะเป็นบุรุษใจเพชรตรวจดูหมดเลยในสังสารวัตรเนี่ยดูหมดเลยไม่มีพวกเราอยู่เลยในนั้นที่จะเป็นบุรุษใจเพชรเนี่ยคือไม่กล้าคิดจะเป็นพระเจ้ากันนะนึกได้แต่คิดเนี่ยคิดแต่ ว, ว่าประเภทที่ถ้าสำนวนแถวบ้านอาตมาเขาเรียกเหยียบขี้ไก่ไม่พอเคยได้ยินศัพท์นี้ไหม เขาบอกว่าเนี่ยต่อไปก็จะต้องเป็นใหญ่เป็นโตให้ได้ก็เองอย่างเองนะเหยียบขี้ไก่ไม่พอพรมมันก็คงจะมองเนะี่ยพรมเขาท่านก็คงจะมองบุคคลที่ได้ได้ปรารถนาแต่ความตั้งใจเบาๆก็คงจะประเภททีทนี้แต่อย่างเราใช่ไหมเออแต่อย่างพระมหาบุรุษนี่ไม่อย่างนั้นเลยพรมเลือกเฟ้นเลยโอ้โหเนี่ยท่านพุทิ์นี่ได้แน่นอนท่านก็กระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกเออพรมเนี่ยนะ เขาสามารถกระตุน้นความรู้สึกได้ถ้าอย่างมากระตุ้นพวกเรากระตุ้นหลายร้อยรอบก็ไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยเพรากระตุ้นมาตั้งนานแล้วกระตุ้นโยงความคิดมาหลายปีแลนะ้วยังสวนยังงามอยู่แลวกระตุ้นมาหลายสิบรอบ เดี๋ยวลองใหม่เดีย๋ยวเพิ่งทอ้อแสดงบุญคนกระตุ้นน้อยร้อยบุญคนกระตุ้นมากมาเลยแต่เนี้ยโหขึ้นปุ๊บเลยทีนี้ตรงนี้แต่จริงๆตรงนี้เราไม่รู้ไงบางคนใจเขารักใช่ไหมปรารถนาแต่ยังไม่มีโอกาสท่านก็ยังไม่เฟ้นชไม่าารยอันนั้นก็จัดว่าได้นะจุดเนี้ยอะไรวอจุดเนี้อาจารย์จัดเองนะคานวณจากการอาราธนาของพรหมในปัจจุบันพบเนี่ย เพราะท่านในชั้นของคมพีทั้งหลายนะในชั้นของดีกาเนี่ยนะดีกาเท่าที่พบนี่นะท่านบอกว่าภายล่าสารนราสมุทฐานหมายถึงสมุทฐานภายนอกก็หมายถึงพรหมทุนนราธนาแต่อาจารย์นึกต้องมากกว่า น, นั้นตามธรรดาเนี่อยอาจารย์เป็นคนคิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ภายนอกมีเยอะ แล้วก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ขัดด้วยก็หมายความบอกว่า <c oughs> ท่านในชั้นของกัมพีต่างๆก็บอกว่าพรมกระตุ้นเดือนจิตใจตอนที่ท่านแบกมารดาข้ามมหาสมุทรที่เป็นมารนพนมใช่ไหมแบกมารดาเห็นไหมภาพในเนี่ยสัมภาระวิบากเนี่ยเป็ภาพนี้เห็นไหมภาพนี้ี่เนี่ยเนยภาพนี้เนี่ยแบกแบกแม่ตอนสัมเารลม่มอะแล้วก็ข้ามมหาสมุทร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 พอเหตุอย่างนั <c> ้น <oughs> อย่างนั้นเบ็ดเสร็จพรมก็เลยนี่แหละได้แล้วก็กระตุ้นเตือนพอกระตุ้นเตือนเบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยในที่สุดจริงๆท่านก็ข้ามได้แล้วก็ในที่สุดจริงๆตรงนั้นเลยก็เลยกระตุ้นความรู้สึกในการปรารถนาคำว่าโพธิญาณขึ้นมานี้นี้คือเป็นเหตุภายนอกเหมือนกันแล้วก็มเยอะนะเหตุภายนอกต่างๆ ถ้าเราจะดูเหตุภายนอกอีกเยอะก็คือว่าตอนที่ได้รับพุทธภ ย, ยการจากพระพุทธเจ้าก็จะเปรนเหตุภายนอกใช่ไหมแรงแรงก็เพิ่มในใจของท่านยิ่งสูงมหมยิ่งสูงเมื่อพระพุทธเจ้าพยายกรณ์เบียเศ็จแล้วต่อมาเทวดามารพรมทั้งหลายนี่นะมนุษย์ทั้งหลายก็พากันบูชาแล้วก็พูดเลยว่าท่านได้แ น, น, น่นอนและความคิดของท่านท่านก็โอ้โหตอนนี้ท่านได้แล้วท่านมั่นใจสูงสุดเลยเสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับขวามมั่นใจสูงมาก เนี่ยใครจะลองทดลองนีไปอีกเท่าไหร่เนี่ยขาลงนะตอนเนี้ลงลงลงลงสิบร้อยปีลงหนึ่งนะร้อยปีลดหนึ่งรอยปีลดหนึ่งใช่ไหมถึงสิบแล้วต่อมาจะเริ่มทะยานขึ้นอายุของมนุษย์นี่ยนะร้อยปีก็ขึ้นอีกหนึ่งรอยปีก็ขึ้นอีกหนึ่งนี่นะไปจนถึงอสงไขยปีของมนุษย์โอนับไม่ได้เลยเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสิบตัวนี่นะอายุของจักรโลกเนี่ยนะโอ้ยช่วงนะั้นมนุษย์เริ่มประมาทกันอีกแล้วนะข้าก็เริ่ม เริ่มจะเริ่มประมาทมัวเมาแลวอายุก็เริ่มลดร้อยปีลดหนึ่งร้อยปีลดหนึ่งมาจากที่คำนวณไม่ได้นะจากหนึ่งตามเลขศูนย์ร้อยสี่สิตัวอายุของมนุษย์เนี่ยนะจนลดเหลือแปดหมื่นปีช่วงนั้นนะ่ะพระศรียะเ ม, มตย์มาตรตรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าเราตั้งตอนนี้ไว้หน้าจะพอทันทันบ้งบอกว่าขอให้ได้รับพยากรณ์จุดใดจุดหนึ่งจากต่อนหน้าพระภักของพระผู้มีพระเจ้าน้ำพระศรียะเ ม, มตย ปาเาเป็นอะไรก็ว่ากันไหมอ <c oughs> บางคนก็ปราเถ่อฟังทำจากทันแล้วบรรลุเนาะบางคนก็ป่าเถื่ออย่างนั้น <c oughs> ลองดูไหมปาษาเอาสักมาร ก, ก็ดีนะหรือจะเอาเอาช่วงนี้เอาช่วงสองพันกว่าปีนี้นะก็ก็ก็กลับมาใครควรห <c oughs> เาไม่ได้ดับ น, นะก็ก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะว่านั่นคือจัดเป็นพาหิระสาธารณาสมุทรฐานหมายถึงธรรมราธนาของท้ามหาพรหมนะถ้าดูในปัจจุบันนะพบเนะี่ยคือสามบดีพรมผู้มีมหาพรหมหมื่นองค์เป็นบริวารท้ามหาพรหมนี้ชื่อว่าสามบดีพรม แต่ก่อนเป็นพระในสมัยผู้ได้เจ้าองค์ก่อนต่อมาก็ได้ปสมแมชานึง่งอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็ไปเกิดเป็นพรมชื่อสหากะาภพิคุกเนี่นะก็เลยได้ในนี้พรมท่านเนี้ยมาราธนาพระบรมศาสดานะอันนี้เป็นคําที่เราศึกษากันมาบเบสเซ็จลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ภายนอกนะพระภูมิภาคเจ้า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 สัตว์โลกจะเข้าใจยังไงถ้าจะแสดงบอกรูปปัถานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอี้สัตว์โลกจะเข้าใจไหมถ้าจะบอกว่าจักขวายาตนะรูปายาตนาโสตายาตนาสัทายาตนาคานายาตนะคันทายาตนาราษายาตนาโพธิ์ชิวหายาตนากายายาตนะโพธพายาตนามนายาตนะแล้วก็ธรรมายาตนะในสัตว์โลกจะเข้าใจยังไงใช่ไหมลึกนะอัดก็ลึกทั้งอัดฐาก็ลึกทั้ง ธรรมะก็ลึกลึกโดยอัดลึกโดยทำ嘛ทีนี้ผู้ได้เจ้าก็โอ้โหอธยาสัยของสัตว์โลกเนี่ติดแน่นในวัตถุกรรมแต่จะกระชากหรือสอนให้สัตว์ทั้งหลายนะั้นหลุดออกจากวัตถุกรรมนั่นนะ่ะมายินดีในพระธรรมคำสอนเพื่อจะหลุดพ้นยากมากใช่ไหมเพราะสัตว์ทีน่นั่งกันอยู่โดยทั่วๆไปก็เป็นผู้เพลิเพลินนั่นนะ่ะใช่ไหมจ๊ะ ย, ยินดีในทุกชื่นชมทุกสารเสริญทุกกันทั้งนะั้นน่ะอาถามว่ามีใครบ้างอะไปเห็นว่า นี้ทุกอะถ้าถามบอกว่าตอนยอมมาเรียตอนลูกอยู่ในท้องเคยบอกนี้ทุกไหมเคยเข้าใจโอ้โหก้อนทุกโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ทุกเนี่ย โ, โหชาติทุกชราทุกมรณะทุกเนี่ยโสกาบบริเดวีวะทุกขโทมนะสัอุปายาอิทุกสิบสองกองบวกสิบสามคืออุปาทานขันห้ามเพิ่มมาอยู่ในท้องกองข้าวยาวเนี่ย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 เคยนั่งเหี้ยโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ที่ทุกข์จริงๆพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกําหนัดอ่าเดี๋ยวมีอีกคนแหละใช่ไหมใช่มใช่เราไม่เห็นทุกข์เลยอ่ะเพราะสัตว์โลกชื่นชมทุกข์กินดีในทุกข์ใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอเห็นเด็กๆหน่อยยิ่งพ่อยิ่มากแล้วยิ่งหน้ารักเขาทุกข์ใช่ไหมเด็กเล็กๆเนี่ย บางคนนีเห็นไม่ได้เลยนะเห็นโอ้โหน้าร่างบางทีลืมเนื้อลืมตัวเลยเวลาเขาร้องอะ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ร, งรงินี่ไงนี่บ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ติดแน่นในทุกจริงจริงแล้วก็ชื่นชมชื่นชมทุกอชื่นชมทุกนี่คือชื่นชมขันห้านะชื่นชมขันห้าแล้วไม่เคยคิดอยากออกจากขันห้ามีใครอยากจะวิ่งออกจากตาหูจากบุคลิสกายให่จริงจริงไบอกเบื่อเลยเกินไปไหนลุงหลังหมด มันตามเราตลอดเลยแล้วหนีไม่ได้แก่ก็ไม่หลุดเนี่ยไปพบไหนก็ไปเจอไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเจอค้อขอกเนี้ยไปเจอคุกคุกเนี้ยไปเจอบ้านบ้านเนี้ยไปที่ไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องไปดูแลผมขนเล็บฟันหนังยิ่หนาองคาตายเลยใช่ไหมเพราะถามมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุแปดสิบกว่าขวบแล้วตัดผมมากี่ครั้ง <c oughs> จะไม่ได้เลยใช่ไหมสระผมมากี่ครั้งแล้วสระหัวมากี่ครั้งเนี้ยนะมึงดูงั้นนะแค่ผมอย่างเดียวก็จะทุกตายอยู่แล้วใช่ไหม ไปสามมาเนี่มันเรารักมันแทบตายมันเคยรักเราไหมไม่เคยรักเราเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเริ่มหนีเราแล้วมันหนีหายไปหมดแล้วว่างตอนเนี้ยจำมั้ยจ๊เนี่ยเรารักเขาแทบแย่ธนูธนอมก็าแทบแย่เนี่ยเนี่ยตั้งแต่ผมคนเล็บฟันไปเนี่ยแต่เขาไม่เคยรักเราเลยผิดหวังเ <laughs> นี่ยไปไปลักสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นทุกข ใช่ไหมไปยึดติดในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปสมาทานอยู่ได้ใช่ไหมในตัวจริงๆแล้วมันเชื่อฟังที่ไหนล่ะมันก็ค่อยๆทยอยทยอยมันโบกมือลาเลยบอกมันขอลาแล้วขอลาแล้วไปเยอะแยะหมดแล้วเนาะแล้วก็อ้อนวอนเข้าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอขอสักร้อยนึงขอสักร้อยนึงไอ้ร้อยเนื้อใจไม่ดีนะที่จริงโดยหลักการจริงๆอนะ่ะ มันนั่งรุ้นเนี่ยถึงไม่ถึ ง, ถ ง, ถงนั่งนับวันแล้วใช่ไหมบางทีตื่นขึ้นเออยังมีชีวิตอยู่เฮงบางทีก็ถาไม่จะอยู่อีกนานไหยบอกคนอื่นว่านานแต่ใครเท้า ม, ม า, ถาถามอา ญ, ญ, ญานั้บอกไม่ไม่ไว้ใจเลยผ่านในวันหนึ่งก็นับบุญแล้แวแสดงว่าโอ้โหรอดมไม่ได้ได้มีโอกาสทาบุญไปวันเดียวเองเนี่ยแล้ววันต่อไปไม่ันจะได้ถึงครึ่งวันหรือเปล่าคิดอย่างนี้จริ ง, รงตอ น, นเนี้ยนะ เล่นใหญ่เลยตอนนี้เพราะว่าหวาดเสียวจริงอ่ะจำมั้ชีวิตในหน้าหวาดเสียวมากเนี่ยไอความตายก็บีบทุกจุดชรลาก็บีบอยู่แล้วอชะลาไม่กลัวแล้วตอนนี้มรณะนี่แหละเพราะมันชะลาไปแล้วชะลาไม่กลัวแล้วมรณะนี่สิคือที่กลัวคืออะไรรู้ไหมแต่ไม่ใช่กลัวแบบโทรศัพท์นะกลัวในร่างนะว่าเ บารมีทั้งหลายกุศลทั้งหลายหรือว่าสิกขาสามทั้งหลายที่เรากําลังเดินอยนู่เนี่ยเนี้ยที่เราจะเดินให้มันเอาจริงเอาจังหรือว่าให้มันคล่องแคล่วมากกว่านี้ยมองเห็นไหมตรงนี้ต่างหากอย่างนี้นอนก็ต้องกะเวลาไว้แล้วนอนมากไม่ได้แล้วตามใจมันมากกว่าเยอะตามใจมาเยอะแล้วนเนี่ยเนี้ยก็ก็กาหนดระยะไป อ, อันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์วิธีคิดเออเนี่ยายามคิดบ้าง ตรงนี้ก็คือว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เมีพภาคเจ้านี่นะที่เป็นไปในส่วนของว่าพระ อ, องค์ทรงระ ง, งับความเมินเฉยที่ทรงจกไม่แสดงธรรมซึ่งมีเหตุจากการพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งก่อนหน้าที่จะรับการอารัธนานีก็ทรงมีอุตสาหะเพื่อที่จะแสดงธรรมเทศนาต่อไปนะทีนี้อันหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยจัดอยู่เป็นอัจฉติกาสาธารณสมุทรฐานเช่นไรแม้คุณธรรมนะ คุณธรรมก็คือทศพลยานเนี่ยก็จัดเป็นอัจฉติกาสาธา ร, รสมุทฐานในการแสดงธรรมเช่นเดียวกันเนาะเวลาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็จะมีอะไรนะคุณธรรมที่ได้มาพ่วงมาจากการได้ตัดสู้นุตราสมาสัมปวิยาณเนี่ยก็คือทศพลยานสิบ ท, นะทศพลยานสิบในใน ทศพลยายนสิบของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะได้มาจากหลังจากที่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคืออาราธมกาธาตพนเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็ได้ปัจเวกขณะยานหลังจากปัจเวกขณะยานก็สัพพยุตยานใช่ไหมอาสาทะนัญญาหกก็ได้แล้วได้มหากริยาญาณนะสามก็ดีมหากริยาจิตแปดยยเป็นต้นก็ดีเนี่ยเพราะว่าสัพพยุตยานนั้นองค์ทําได้แก่ ม, มหากริยาญาณนะสามยุตใช่ไหมนั่นแหละคือพระองค์ได้มา อนาวนายานอินท ร, รียโปรปิยติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมกบปาฏิหาริยยานแล้วก็อาสยา น, นุสยานของพระผู้มีภาคเจ้าหประการนเนี่ยอันนี้เรียกอาสาธนาญาณหประการไม่สาธนับกับปัญญาญาณของสาวกทั่วๆไปอันนี้พิเศษมากแล้วก็นี่ไงทศพลยานสิบทศพลยานสิบมีฐานาฐานยาณเป็นต้น ายานที่รู้ฐานะและอาฐานะของสัตว์ทั้งหลายนี่นะความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นจนถึงนั่นแหละสรรพยุติยานเป็นข้อสุดท้ายอาตมาจําข้อแรกกับข้อสุดท้ายไว้สบาย <c oughs> ถ้าไปไล่มันยาวไงจริงๆแล้วถ้าแค่อธิบายฐานะอาฐานะยานนี่ก็โหยวันนี้ก็เล่นอยูุกยานนี่แหละไม่ไปไหนแล้วยานต้สพพะรยานหูยาวก็เลยบอกรวมๆเขาไว้ย่อยสิบประการแล้วก็ พุทธยานสิบสี่เวณิกธรรมสิบแปดอสาทนาญาสิบหกแล้วก็เนี่ยเวสาลชยาน 4, สี่กทศพลายานสิบเหล่านี้อันนี้คือพยานเนี่ยจะเป็นอัจฉติกาสาธารณาสมุทฐานเป็นสมุทฐานที่เกิดขึ้นภายในนคือเมื่อคือเมื่อได้ตัดสู่แล้วก็เลยได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พระมหากรุณาที่คุณจัดอยู่ในอัจฉติกาสาธารณาสมุทฐานเช่นไรแม้คุณธรรมคือทศพลายาน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 ไม่ได้เลยดึงได้เพียงเล็กๆในน้อยหลังจากที่พระเจ้าปารินิพานไปแล้วลองดูการทํางานของภาษาวกที่ลาบากขึ้นเยอะเลยทขนาดทั้ ง, ท, ง, ท, งที่พระเจ้ายังทรงประชนอยู่โดยฐานะเป็นพระธรรมวินัยที่พระองค์ให้ไว้แล้วเนี่ยการประกาศคําสอนอยังยากยังลําบากขนาดนี้ใช่ไม่ใช่ยิ่งมายกที่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีนี่นะในยกที่มาในปัจจุบันเนี่ย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 เดินอย่างความคิดของท่านพระมหากระสบได้ไหมล่ะเราจะฟังทำด้วยกุศลนะเราจะเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้เป็นต้ น, นแล้วก็จะมัวมวนมาด้วยจิตทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกุศลกนะ็คือคอจะทําสิกขาสามให้เกิดขึ้นในขณะที่ฟังพระธรรมด้วยและในขณะที่ฟังธรรมนั้นเราจะเงียบโสดลงฟังนะั้นจะตั้งเป็นกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆนะและเราจะไม่ส่งจิตไปทางอื่นเลยเราจะไม่เพ ล, ลินเราจะไม่หลับเนะี่ย เราจะไม่ให้ความหลับความเหงาความเศร้าซึมทั้งหลายต่างๆมาแทรกในขณะฟังมารำมเดศนาเลยเนี่ยใครวางได้ขนาดนั้นถ้าวางได้อย่างขนาดนั้นน่ะ น, นั่นเขาเรียกว่าเอยวางจิตในการฟังทำเป็นถ้าสมมุติว่าในขณะที่ฟังทำนะใจก็เลื่อนลอยฟังแบบเบาๆเนี่ยไม่เหมือนกับฟังลิเกละคร น, นี่นะถ้าดูหนังดูลิเก ด, ดูละครใ น, นบางคนนี่ดูได้จนจนเที่ยงคืนนะ่เยเขาเขาเห็น ถ้ายิ่งสิ่งที่ตนเองชอบด้ยแล้วรีบไปนั่งอยู่ข้างหน้าเลยใชไหมรอแล้วไม่หลับเลยดูแล้วตื่นเต้นเป็นเรื่องเป็นราวที่ตนเองชอบเลยเอาสิวันก่อนไปไปที่เชียงใหม่มีโยมคนก็บอกว่าเนี่ยเขามาฟังทำเนี่ยแต่บอกว่าเฮ้ยท่านสอนให้ละนั้นละเนี่ยเขาเหลืออยู่เรื่องเดียวยังละไม่ได้เขายุ่งมากเนี่ยถามอะไรเขาเขาติดหนังเกาหลี <laughs> มาบอกโอ้ตายแล้วเขาบอกแล้วก็ตกใจใช่ไหม ถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็พระว่าอันนี้เล่นปาร์คอะไรอยงเจ็ดเจ็ดสิบขวบแล้วคนนั้นเจ็ดสิบขวบแล้วไปติดหนังเกาหลีบอกหมดสภาพแล้วได้ทาไงเนี่ยไอ้ธรรมาก็อยากฟังไอ้หนังก็อยากดูไปตลาดก็ซื้อหนังเป็นชุดๆ อ, อย่างเยอะเลยวันมาเล่าฟังก็ก็าถามว่าเขาจะเลิกได้ไงเขาอย่าไปซื้อไปถึงก็ทิ้งให้หมดแค่นั้นก็จบแล้ว <laughs> มันมีอะไรเลยใช่ไหมชีวิตเนี่ยไปทําคิดอะไรมันมากมาโอ้ท่านยอมไม่ใจแข็งแบบนั้นนะ เห็นต้องไปแข็งอะไรก็ไปก็ลือทิง้งลื้อทึงยี้อทิง้งนั่นมันไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายใช่ไหมแต่ไม่ยอมทําไปเกงใจตันหาเพอแปลกเกงใจตันหาเออประหลาดจะไม่ไปเกงใจมันทําไมใช่ไหมก็มันทําให้เราทุกข์จะตายมาเกงใจอะไรมันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมไปเกงใจแล้วเกิดตันหาเวลาตันหามันจะเอาอะไรนะี่โอ้ยงอกงงอ่เกือบตาย บางทีใช่ไหมบางทีปัญญาจะใช้หน่อยเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะา เ, นะเออปแปลกไม่ค่อยเก่งใจปัญญาแต่เก่งใจตัณหาแล้วพอกก็ต่อไปกลับมาบอกว่าไม่ไหวแล้วก็เรานี่ร่างกายพังมาเพราะมันไวเยอะแล้วแล้ตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเก่งใจมันมานานเองอย่างในสั ง, ส, งสารวัฏที่ผ่านมาใช่ไหมดูที่เราต้องแบกลูกแบกหลานแบกซาบแบกอะไรต่างๆก็เก่งใจตัณหาหนึ่งใช่ไหม แต่จะทรามานวนเหมือนฉลาดเนี่ยเราเก่งใจมันจริงๆเลยนะเก่งใจใช้ร่างกายแทบพังหมดแล้วนะใช่ไหมเก่งใจตันหาจนขนาดนั้ น, นเลิกเก่งใจทีตัดขาดกันได้ทีไปถึงก็ไปชมเรียกตันหามาบโอ้โหหลายหลยอัตภาพแล้วเนี่ยเราต้องเจ็บปวดเพราะคุณเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรากับคุณอย่าขาดกันกล้าไหมากล้าไปพูดกับตันหาแบบนี้มัน พอพูดได้สองคำบอกที่พูดไปอย่าโกรธกันนะยงเลยตนี้อย่าไปตะเกินดีมันอยู่ เ, ยเลยหนเนี่ยตันหาเป็นอย่างเงี้ยก็พอบอกอย่างนี้ยอมก็เขอบอกว่าโอ้หเขาค่อยๆเป็นไปได้ไเนี่ยค่อยๆเป็นไปมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมันจะไปได้ยังไงก็ค่อยๆเป็นไปเอาเลิกธิรนิดเลยนี่ก็าบอกงั้นค่อยๆค่อยๆเป็นไปอืออืไมค่อยๆเป็นไปอายุก็ผ่านนั้นแล้วก็บอกว่าใช่ไหม ถามว่าถ้าจะตายขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่ประทับใจที่เราดูมาเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยแล้วก็ต้องดูคติเราจะไปไหนเนี่ยไม่ไม่ต้อง ไ, ไ, ไม่กรุณาตัวเด้งบ้างยังไหมแกบอกดูพูดมันง่ายพอมาฟังท่านมันเหมือนมีกําลังใหญ่จะทำํำพอกลับไปทีไรก็ไปเห็นจอทีวีได้ได้อดไม่ไี้อดง่ายมากเลยเรียกข้างบ้านมาวันนี้จะบริจาคทีวี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 พอให้ไปเบรศเสร็จมานั่งก้มเหมือนไม่ม ing, ไม ie, จะหาซื้อมหวจะเริ่มเดือดร้อนได้นาก็ก็เป็นเงี้ยนี่ยฉะนั้นอัจพยานทั้งหลายของพ <luego> รบรมศาสดานั้นจัดเป็นอัจฉติกาสาธารณสมุทรฐานในการแสดงธรรมเช่นเดียวกันนะจริงอย่างนั้นว่าพระูุทธพระเจ้านั้นทราบยยธรรมทั้งพวงและในที่พึงแสดงด้วยคือพระเจ้าเนี่ยรู้รู้เยยธรรมสังขารวิการลัคนานิพานบัญญัติก็รู้ว่าพิญเยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่ง ปริญญาญาธรรมที่ควรกําหนดรู้ทําที่ควรรอบรู้คือทุกเนี่ยพระองค์ก็รู้ปริญญาญาธรรมเนี่ยคือว่าพระองค์รู้อริยสัจเนี่ยรู้หมดเลยส่วนปริญญาญาธรรมเนี่ยนะรู้อะไรรอบรู้ทุกขสัตว์ทั้งหมดเลยทุกขสัตว์เนี่พระองค์รู้หมดนีในกาลมาพบรู้มาพบอรู้มาพบเนี่ยพบสามเนี่รู้หมดเลยแล้วก็รู้จักรวาลทั้งสิ้นเลยแสนก่อจักรวาลเนี่ยรู้หมดเลยนั่นก็คือกลุ่มเหล่านั้นคือกลุ่มทุกขสัตว์หมดแล้ว ไม่มีทุกขสัตริย์กลุ่มไหนที่พระ อ, องค์ไม่รอบรู้ส่วนในด้านของปหาตประธรรมพระ อ, องค์ก็แยกได้ว่าเป็นธรรมที่ควรละธรรมที่ควรปรหามีสมุทยัยคือตัณหาเป็นต้นใช่ไหมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนอกจากรู้ขันห้าแล้วเหตุของขันห้าแล้วไม่พอเนะยังรู้ด้วยว่าที่ดับของขันห้ากล่าวคือพระนิพพานพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้คือสัจจิกาตรธรรมธรรมที่ควรทําไม่แย้งแล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมพระ อ, องค์ยังรู้ภาเวตาประธรรมด้วย ทำที่ควรควรเจริญคือรู้หนทางรู้สติปฐานรู้ส ม, มปาปทานอิทิบาทอินทร์สีพระละโพชงแล้วก็อริยามรรคมีองค์แปดรู้อะไรรู้โพธิปักขียาธรรมสาสิบเจ็ดประกาศนี่ไงพระ อ, องค์รู้ตรงนี้ไงนี่แหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะรู้รอบรู้หมดเลยอภิญยยาธรรมเทาว่าตามลําดับของลําดับนี้เขาเรียกว่าตามพระสุตันตปิฎกถ้าตามในยะพิธรรมปิฎกก็รู้อะไรสังขาร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 รู้อุปาทะใช่ไหมอุปัจจะาสันตติชลตานิจจานี่รู้เห็นไหรู้การขณะเกิดอุปาท่าเนี่ยนะอุปาท่หรืออุปัจญาคือการเกิดขึ้นของขันต่างๆนี่นะพระองค์ก็รู้เลยอุปัจญาสันตติคือการสืบต่อกันของรูปของนามต่างๆพระองค์ก็รู้ชลตาคือความแก่ของรูปของนามทั้งหลายพระองค์ก็รู้ทั้งตลอดเร่อนั้นอันนี้เจตาคือความดับของรูปนามกันห้าของ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 ยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ที่เหมาะสมแก่พระธรรมที่พระองค์รู้ด้วยเองตรงเนี้ยยากมากถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยรู้หลายเรื่องนะแต่บางทีไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้ยเหมาะสมแก่การที่จะนําเขตผลเรื่องอะไรต่างๆเราจึงแค่อุปนิสัยคนไม่ได้แก่ไม่ได้เลยเนี่ยที่เราบอดสุดๆกันในยุคนี้ก็คือเราไม่รู้อัธยาศัยและไม่รู้จริตเลยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนะ มายุ่งการเอาคําสอนพระเจ้าก็มาแจกกันแจกแจกแจกใช่ไหมใช่เลยไม่รู้อัธยาสัยเลยถ้ารู้อัธยาสัยอาจจะไม่มีการสแสดงทำเลยก็ได้ใช่ไหมบอกว่าอย่าสแสดงเลยสแสดงไปก็ไม่ได้หรอกก็ลเลยบอกว่า ง, งั้นหยุดนะไม่ต้องสแสดงแล้วใช่ไหมสมมติถ้ารู้อัธยาศายจริงๆริงใชไหมนี่ก็ดีเหมือนกันได้มองมุ ม, มนเนี่ยเนี่ยก็อยู่กันแบบไม่รู้นี่แหละต่างป่ายต่างก็ไม่รู้ ก็เลยเอา้าแต่ก็ได้บุญเนี่ยนะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้าอย่างเนี้ยถ้าเรามามามานั่งคิดดูที่ว่าจริงๆถ้ารู้อัจยาศัยเนี่ยคนมาศึกษาพระธรรมคนมาปฏิบัติธรรมไม่มีแค่นี้หรอกใช่ไหมเพราะคนที่อยากออกจากทุกมีเยอะที่หมดเลยแต่เราไม่รู้อัจยาศัยเขาไงว่าออพระธรรมประเภทไหนที่จะเป็นตัวดึงเขาออกจากวัตถุกรรมได้นี่ไม่รู้ มันโยงงามผิดไปเกี่ยวข้องกับใครเยอะแย ะ, ยะมือนก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเกี่ยวข้องกับลูกบางทีลูกยังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้อัธยาศัยของลูกเลยแล้วบอกว่าส่วนคนทำวัดเนี่ยมันโกรธดยเฉใช่จริงยังไม่ใช่สูตรนั้นใช่ไหมเออมันควรจะแนะนําจุดอื่นเดี๋ยวเราก็แนะนําผิดอย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือไม่มีไม่มีไม่รู้อัธยาศัยที่เหมาะแต่พระเจ้านั้นจะรู้ไงพระองค์จะทรงรู้ว่าเออควรแค่ไหนอย่างไรและที่ที่อัศาจรรย์อีกจุดหนึ่งคืออะไรไหม ทีพ่พอมองออกก็คือว่าเวลากพระบรมศาสดากําลังแสดงธรรมนี่นะแล้วถ้าหากสัตว์เหล่านั้นที่ฟังทำอยู่กําลังพิจารณาเนื้อธรรมพระองค์ก็หยุดอยู่ในสมาบัติรอให้ท่านเหล่านั้นตรึกดามเอางี้สมมติว่าถ้าถ้ายานหยุดบรรยายห้านาทีแล้วหลับหน่อยเ <c oughs> ต้นมาเหลืออยู่ว่าใช่ไหมจะมีหลายคนเนี่ยพอเสียงเงียบเป็นสบายก็หลับเลยใช่ไหม ก็หลับเลยนี่เอาบอกว่าบางเดี๋ยนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยให้ฟังธรรมไปแล้วนั่งกรรมาฐานไปไม่เคยนาไว้ใจหรอกนั่งหลับกันเยอะสังเกตไหมเพราะจริงๆแล้วใจแปลกมากเวลาช่วงอื่นไม่ค่อยหลับสังเกยไหมยมรีเคยเป็นไหมแต่พอช่วงฟังธรรมนี่อยากจะหลับเรื่อยใช่ไหมมันเป็นเพราะอะไรอ่ะฟังราเพลินใช่ไหม เยะยยธรรมตามในที่บึงแสดงเยะยยธรรมเหล่านั้นตลอดถึงอัธยาศัยของเราสัตว์ตามความเป็นจริงแล้วก็ประกาศเทศนาที่ประกอบอันวิจิตตังตับตะตรงตา ม, ตา ม, ตามอัธยาศัยของเหาเวนยัยชนเวนยสัตว์เหล่านั้นด้วยพระปีชาชานฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะตรงนี้พระองค์ก็จะใช้ฐานาฐานะนายานเป็นต้นเหล่านั้นมากําหนดดูไปด้วยในการแสดงวิธรรมของพระองค์นะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสาธารณ สมุทรฐานทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกได้อธิบายแล้วส่วนอาสาธารณะสมุทรฐานมีสองอย่างคืออชาชติกาสาธรณอาสาธารณะนะท่านใช้คําว่าอาชติกาสาธารณสมุทรฐานนะก็แปลว่าอ า, า, า ส, าธ า, สธ า, า, อ า, าธารณะฐานที่อยู่ภายในแล้วก็ภายละสาธารณะ สมุทฐานอาสาธนะสมุทรฐานที่อยู่ภายนอกในบรรดาอาสาธนาสองประการนั้นอัจฉติการาร ส, สมุทรฐานน่ะอันนั้นหมายถึงพระมหากรุณาและเทศนายานที่พระองค์ทรงใช้ในการแสดงพระสูตรต่างๆถ้าถามว่าที่เป็นอาสาธนาอัจฉติกาเนี่ยตามอัธยาศัยด้วยแล้วก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเกิดขึ้นจากภายในและ เป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์ด้วยนะนั่นเป็นพระมหากรุณาและก็เทศนายานที่พระองค์ทรงใช้ในการแสดงอย่างเช่นในทีขณิกายอะ่ะจะมีเยอะมีสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นเหล่านี้นะส่วนภายและสาสรณสมุรฐานก็คือพระธรคาถาจารย์ท่านประสงค์จะแสดงให้ทราบในที่นี้จึงได้กล่าวประโยชน์ขึ้นบอกว่ากรณีที่อ น, นั้นหมายความว่าเป็นเกี่ยวในเรื่องของภายนอกแต่ เอามาจากภายในแล้วมาสาธยายเป็นนัยยะของพระธัตถะาจารย์ถามถึงถามถึงหรือกล่าวถึงหรือขยายข้อความเป็นต้นเหล่านี้เนียตรงนี้ถ้าเราทราบเหตุผลตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะศึกษาพระธรรมของผู้ได้เจ้าเนี่ยว่ากรณีที่เราจะเดินหรือศึกษาเกี่ยวกัเรื่องของคุณของผู้ได้เจ้าเนี่ยเนี่ยในพุทธานุสติก็ไปอยู่ในคัมภีร์ของวิสุทธิมรรค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 อันนั้นก็เป็นการเจริญอะไรสังคานุสติเป็นต้นถ้าละลึกหรือปารลบถึงการไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุหรือไม่เป็นรูของกุศลศีลของท่านทั้งหลายที่รักษาของคนคนนั้นที่รักษาเนก็มาเจริญศีลานุสติถ้าปารบการบริจาคทานใช่ัอย่างเราท่านทั้งหลายเคยบริจาคทานแต่ทานที่จะมาปารบในการมาละลึกบ่อย ต้องเป็นทานที่ไม่มีตัณหามานาทิฏฐิเกี่ยวข้องอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจาคานุสติถ้าหากปาราถึงเทวดาทั้งหลายหรือคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาทั้งหลายอยู่เนืองๆเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเทวดานุสติถ้าปาราถึงการขาดลงหิรูปประชีวิตและนามปชีวิตใช่ไหมของกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายในภพหนึ่งๆอันนั้นก็เป็นมรณานุสติ ถ้าสติระลึกถึงรู ป, ปรกายอันต่างไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันนั้นก็เป็นกายคตาสติถ้ามีสติตามมาลึกปารลบลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ที่จุดกระทบเข้ากระทบออกเป็นต้นก็เป็นอานาปานาสติถ้าละลึกถึงความปารลบความสงบจากรูปนามและขันห้าเป็นต้นสภาวะนั้นเอามาละลึกอยู่เนืองๆ เ, เป็นต้นนั้นก็เป็นอุปสมานุสติใช่ไหม สรุปแล้วก็คือว่าอนุสติทั้งสิบประการเหล่าเนี้ยเป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัตว์แล้วก็เป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ในยุคปัจจุบันขาดตอนมากเห็นดีเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็คืออาณาบารณสตินะ ไ, ไม่ใช่เอาเจียวจังด้วยนะแบบประเภทเล่นเล่นนี้นอาจจะมีคนเอาเจียวจังก็ได้ใช่ไหม แล้วนั้งอยู่ตรงนี้ใครเอาเจีจ๊ยบเขาจางก็นึก อ, อ ไ, มไม่ใจไม่ใไปถึงก็คือที่ยังมีเอามาพูดพูดถึงกันหน่อยนอกนั้นมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยตอนนี้ก็เริ่มจะได้ยินแวแวๆขึ้นมาก็คือกายคตาสติแค่นี้นอกนั้นหายเกลี้ยงเลยเพราะบอกว่าจเจริญพุทธานุสติก็หายไปแล้วเหลือแต่คาพูด ที่จะมาเจริญกันเป็นล่ําเป็นสารก็ก็ไม่มีธรรมานุสติแทบไม่ต้องพูดถึงแต่ยังมีการสวดกันอยู่นะไปที่ไหนยังยินสวดกันเจ้าแจ๊วแจ๊จ๊วตามพระเจดีตามต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะที่ชาวพูดนับถือก็ไปอิติปิโสปะาวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธไม่รู้อะไรกันเราไปกันนะฝุ่นฟุ้งเลยบางทีเนี่ยนะควันก็เยอะอกลับมาก็มาเจ็บป่วยกันกนี้บางทีเนี่ยนะ มาก็มาบ่นเลยไม่น่าไปบ้างอะไรก็อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยถึงเนี้ยก็มีอย่างนี้เยอะเลยใช่ไหมนั้นพุทธะธรรมานุสติสังขารนุสติก็ตามไปด้วยก็มีการระลึกแบบการสวดกันพอพูดถึงในด้านของศีลานุสติหายเกอย่างเลยแทบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ถามมีใครเจริญสีลานุสติกันเป็นบ้าง เอาเงี้ยมันน่น่าน่า น, านาสลดกันเนาะชาวพุทธเนี่ยจาคานุสติโอ้ยทําให้ทานกันเหลือเกินแกเอามาเจริญกันไม่เป็นแต่เอามาเป็นราคาคุยเยอะนะคุยเยอะทำที่นน่นที่เนี่ยเยอะแต่เอามาเจริญกันเป็นล่ําเป็นสันไม่เป็นจาคานุสตินี่นะแล้วก็อะไรเทวตานุสตินี่จบไปตั้งนั้นแล้วแต่พายเอางีสวสดอยู่นะแต่ว่าสวสดอยู่สองสารประโยคนอะ่ะมีอยู่รู้สึกจะสี่บาทคาถาเขานั้นแหละฮิริโอต ฮิริโอตปะสัมปนาโสกัสธรรมสมาหิตาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะคือสวดสวดตอนทำวัดเนี่ยเคยสกิจถามพ่อใหม่บอกท่านรู้เรื่องไหมบไม่รู้เรา ส, สว ด, <laughs> สดแบบนั้ก็แสดงว่าไม่เจริญแล้วทั้งผู้นำทั้งผู้ตาม <c oughs> น่าคิดมากนะแล้วก็มรณานุสติโอห้ามกันเลยเนี่ยเ <laughs> จ้าพูดหอกอย่าคิดถึงความตายนะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ให้พูดถึงกันด้วย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 ที่หลักใหญ่เลยพุทธานุสตินี่เจริญไม่ได้นี่น่าคิดมากทาั้งๆที่พระเจ้าเป็นธรรมสามีไหมแปลว่าอะไรอ่ะธรรมสามีอสามีแปลว่าเจ้าของใช่ไหมคนที่มีสามีก็แปลคนที่มีเจ้าของพระเจ้าเป็นธรรมสามีพระเจ้าเป็นเจ้าของพระธรรมใช่ไหมใช่งั้นชาวพุทธศึกษาพระธรรมแต่เจริญพุทธานุสติไม่ได้นี่ต้องกลับไปคิด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 ถ้าเราเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตแต่ลูกไม่เคยเห็นคุณเราเลยเขาว่างไงเอ้ยเด็กเราโใช่มั้ยเอา้าวเรานับถือพระธรรมของพระเจ้ามาอย่างยาวนานแต่เราไม่เห็นคุณของพพระพุทธเจ้าเขาจะเรียกเราว่างไงเด็กเนี่ยอันนี้ยมพูดเองนะมาดูั้มนี่ไงเราได้คิดว่าเอ้ยเนี่ย เรานับถือพระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่เราคิดถึงคุณของท่านไม่เป็นอันนี้ต้องกลับไปคิดต้องกลับไปคิดอันนี้โจทย์ใหญ่มากการบ้านน่ะนะกลับไปนอนคิดเียวอออะไรเกิดขึ้นแล้วเออทำไมทำไมเราไม่คิดแค่พูดโทอย่างเดียวแล้วตอนนั้นเราคิดถึงอะไรถึงลมหายใจเข้าออกไม่ใช่อีกเอาสิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเนี่ยเป็นพันนามจริงอ่ะแต่ไม่เคยรู้ว่า อันนั้นเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าแล้วลึกซึ้งในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆไม่มีอันนี้ก็สอนกันพูดโทรเขากลัวนะจริงๆโบราณจารย์นี่ก็าสอนดีเหมือนกันเนี่ยเขากลัวจะลืมพระนามของพระพุทธเจ้าเพราะคนมันห่วงการงานกันมากขึ้นบอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไกัแล้วเลยได้แค่พูดกระโทรแค่นั้นสัตว์น้นอื่นเอาไปทําดีทีนี้ยหายใจเข้าออกเยหายใจเข้าเยหายใจออกสูเยซูเสร็จเลย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 แล้วก็ระดมกันปลุกเล้ากันในการบอกเอา้าเจริญพุทธคุณกันให้เป็นก่อนก่อนที่จะทำมาคุณสงางกุณนี่นะเพราะอันเดียวกันอยู่แล้วเออเจริญพุทธคุณเอายอดให้ได้ก่อนเนี่ยนะแล้วกรรมฐานอื่นก็ถือว่าเป็นกรรมฐานน้องๆไปเป็นกรรมฐานน้องๆไปใช่ไหมเหมือนเราจะไปรับอาณาบานณะเนี่ยก็ไปรับมาจากพทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะไป ไปรับมาไงยอมพิสไปถึงก็ไปถึงตัวหน้าพระรูปก็ได้ใช่ไหมนั่นคือเป็นเป็นอุเทนสกาเจดีเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นองค์แทนทําให้สัตว์โลกที่เกิดมาภายหลังไม่รู้จักพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้ามีพระรูปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเราไปถึงก็กราบจัดการศรีละเลยถึงเต็มตัวทําจิตใจให้อ่านฐานล่าเรืองเบสเซตใช่ไหมพอเข้าไปเบสเ็ตก็ไปกราบขอเลยขอเรียทรัพย์ อ, อริยทรัพย์ก็คือขออานาปานะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขอขอขอรับกรรมฐานจากท่านจากพระผู้ทธเมียพระเจ้าพอรับกรรมฐานเบ็ดเสร็จก็นี้จะเอาอริยทรัพย์นี้ไปบริหารเอาต้นทนุนต้นร้นอนที่พระบรมศาสด า, า, าให้ไว้เนี่ยเอาไปบริหารเอาไปจัดการให้ได้ผลได้กําไรใช่ไหมพอไปถึงก็เอาไปบริหารเดี๋ยวเจงกลับไปแล้วกลับไปขอปบอกขาดทุนแล้วล่ะที เนะี่ยถ้อย่างนี้นะเหมือนพ่อแม่ให้ทุนเรามาจะไม่ยอมพี่ให้ทุนมาโอ้โหเราจะตะหนักมากอันนี้เป็นทุนของพ่อแม่ให้ขาดทุนไม่ไนดะ้ผลกําไรขาดทุนไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ของพ่อแม่ขาดทุนอัเยอะตัวอย่างเช่นพ่อบอกอาณาปานนะมีวัตถุเท่าไหร่พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่สิบหกขยายหน่อยสามสิบสองไล่หน่อยเนี้ยไม่ได้เลยเนี่ขาดทุ น, ทนเดิมยัยเสีย ย่เสียนะถ้าจะงอกเงยไปถึงการรู้อัฏฐธรรมะซึ่งเกิดความชัดแจ้งในการบริหารในการเจริญอันนั้นเป็นผลกํำไรจเจริญไปจเจริญมาหายหมดแล้วอนาปณะหายเกลี้ยงเลยจําไม่ได้เลยจตุ ก, การแรกยังไล่ไปถูกแล้วเป็นเงินไม่ยอมรีบรีเป็นเงินไห ม, อ, ไหมอันนี้ก็แล้วขาดทุนนี่ขาดทุนแล้วโอเพตี้ท้นหาย กำไรไม่ต้องพูดต้นตุนต น, นี่เขาเรียกว่าบริหารกรรมฐานของผู้ได้เจ้าไม่งอกเงยนะตรงนั้นต้องต่อไปอย่าอย่าให้อย่าให้ทุนเดิมของท่านหดหายส่งก็ว่าใช่ไหมอยอมเงนพี่ก็เอาไกยคตาสติสามสองไปบริหารใช่ไหมทีนี้ไปบริหารก็ ย่าใ ห, หลุดเหลือสิบหกไล่ไปลายไม้หายไปไหนอย่างเงี้ยใช่มอันนั้นก็เรียกว่าทนหายทุนมันขาดอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ก็ก็ลักษณะเงี้ยที่เขาไปบริหารกันเพราะว่ามันไม่ใช่หยุดอยู่แค่จตุการแรกนี่เนาะหรือไม่ใช่หยุดอยู่แค่ตัดจกปัญจกากรรมฐานแค่ห้านี่นะค้าถึงต้องสายทะยายทั้งหมดไง สามสิบสองก็ต้องสาธยายเป็นระบบยังไงอยงไงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เ็าเรียกว่ารับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไปแล้วเอาไปบริหารใครจะดึงดึงหมวดไหนไปที่ถูกอัธยาศัยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเน่ยพุทธานุสติต้องเป็นไหมต้องเป็นนะเนาะเพอเราสวดกันเยอะมากเราสวดกันเยอะมากทรรวสตร์นมลเช้าเย็นก็เอาและโยโสภะวาอรังสัมมาสัมพุโทโธใช่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 อนุแล้วก็บวกคําว่าสติตามระลึกเนืองๆได้มากท่านใช้คําว่าเนืองๆ อ, งอนุเนี่ยอาจจะไปแปลว่าน้อยก็ได้ใช่ไหมอาจจะไปแปลว่าตามก็ได้ใช่ไหม เ, เขาแปลได้อถ้าอานุภรรยาเนะี่ยเขแปลภรรยาน้อยเนี่ยแต่ไม่ใช่ในทีนี้ใช่ไหมอนุสติในทีนี้เขาเรียกตามระลึกทีนี้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 เนี่ยต้องชัดตรงนี้อาศัยวิขัมพนาวิเวกก็คือในการสงบสะกดหรือคมห้ามห้ามอะไรห้ามไม่ให้นิวรธรรมทั้งหลายมาก้มรุมก็หมายความว่าการมาฉันทาพยาบาทเนี่ยทีน่ามิธาอุทจักคุกอุจจาวิวกิจิกยาแล้วก็สีเนี่ยพวกนี้นะห้าตัวเนี่ยทําทําไมเขาถึงห้ามนิวรหรือไมนิวรเ น, นี่ยเป็นตัวอุปสรรคเลยเนี เป็นตัวอุปสรรคในการที่จะทําลายสมาธิอย่างแรงเลยฉั้นคนที่มีนิวรมากๆจเจริญกรรมฐานยากมากดีอย่างเดียวก็คือเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆแต่ในขณะที่เดินเดินก็เดินก็พยายามใคร่ควรเพรานั่งมันจะนิวรจะกุ้มลุมเยอะใช่ไหมก็ออกเอียบปดเดินบ้างแล้วก็นั่งเดินแล้วก็นั่งใช่ไหมทีนี้คนจเจริญกลุ่มพทธานดุสตินี่นะใหม่ๆนะอย่าเพิ่งจเจริญกว้างขวาง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 เป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยนะคือระลึกถึงคุณเป็นผู้ไกลจากกิเลสยังไงเป็นเท่าไรนี่นะห่างไกลแสนไกลจากกิเลสต่างๆแล้วเนี่ยก็ ต, ตามระลึกไปตรงนี้หลายๆท่านยังยังเดินพุทธคุณไม่ได้เลยเนะี่ยเดินแล้วมองยังไงก็ไม่เห็นก็เลยแนะนําบอกว่าเอออ่านคุณของพุทธญาตเยอะๆอ่านให้เกิดความทราบซึ้งให้ได้ฟังให้ดีเยอะ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 เก้าวัดทั้งหลายเนี่ยมีออกบ่อยเกินงานเก้าว้ยพระเก้าวัดทั้งหลายเนี่ยถามอะไรเป็นอารามนาธิบดีในจิตใจใช่ไหมนั่นจะดูตรงนั้นน่ะถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นอารามนาธิบดีนะคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารามนาธิบดีจิตที่น้อมถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นอารมณ์ที่หนักน่วง รุนแรงอย่างแรงกล้าสิ่งอื่นไม่สําคัญเลยอันนั้นใช่ถ้าเหล่านั้นเดินถูกแล้วจะไปก้าววัดสิบวัดยี่สิบวัดร้อยวัดไปเหอะแต่ถ้าไปแล้วคุณของพระุทธเจ้าก็ไม่เป็นใหญ่แต่เรื่องอื่นเป็นใหญ่อันนั้นอันนั้นการได้บุญเริ่มน้อยแล้วเพราะการไปยังไม่รู้คุณก็เยันเนาะไปยังไม่รู้คุณแต่ยังพวกเราทั้งหลายเนี่ยฟังทำมาขนาดนี้อก การเดินพุทธคุณน่าจะมีผลบ้างเงินใช่ไหมใช่ไห ม, ไมต้องพูดหน้านจิตใจใจหนึ่งยบอกแล้วมีบ้างบงอกไม่รู้คงน่าจะมีใช่ไหมอันนี้ก็ลองไปพิจารณาตรงนั้นก็คือถ้าเป็นอา ร, รมนาที่พอดีจะใช้ตัวนี่นะตรงเนี้นะคื อ, ค, อคือการเจริญพุทธคุณทีนี้ในอนุสติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยถ้าอิติอิติปีอรหงังเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้ บางทีแม้เพราะเหตุอย่างนี้นะ่ะท่านเอามาไว้เป็นประโยชน์ข้างหลังบางท่านก็แม้เพราะเหตุนี้เป็นพระลรหันเจ้า อ, อะไรขึ้นก่อนเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้ด้วยตนเองแม้เพราะเหตุอย่างนี้ต้องต้องใช้คำว่าอิติปีหมดเลยนะโดยหลักการเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณนะแม้เพราะเหตุอย่างนี้ลายไปงีนะ้น่ะอิติปี วิชาเจารณาสัมปันโนเวลาเราสวดสเดิมนี้ไหมอิติปิอระรหังอิติปิสัมมาสัมพุทโธอิติปิวิชาเจารณสัมปันโนอิติปิสุขโตอิติปิโลกวิทูอิติปิอนุตตโรปุริธรรมสารถิอิติปิสัทถาเดวอนุสานังอิติปิพุทโธอิติปิภควาตรงเป็นภควาแม่พระเยสอย่างนี้ด้วยประการชนนี้อันนี้ก็ไปดูเทียบในอังคุตตะระนิกายฉกานิบาตก็จะชัดตรงเนี้ยเนาะ ให้ไปดูเทียบตรงนั้นเออการระลึกเนืองเนืองในพุทธคุณเหล่าเนี้ยดังนี้คือโยคีเนี่ยคําว่าโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียร น, นี่นี่ยประกอบในที่นั้นคือประกอบประกอบในโยนิโสมนัสิการเพราะการที่จะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นได้นี้จะต้องมีโยนิโสมนัสิการในการที่ใครควรและระลึกตรงนี้เป็นชื่อของโยคําว่าประกอบนี่เนี่ย เน่เป็นชื่อของโยนินิโสมนัสการเป็นต้นที่จะประกอบสธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นนะเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้ทรงเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้แม้เพราะเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะพระกวากแม้เพราะเหตุอย่างนี้ให้ยกเอาคำว่าอีตีปีเนี่ยแปลว่าแม้เพราะเหตุนี่มาประกอบเข้ากับพุทธคุณทั้งเก้าบท วิธีจเจริญท่านทำอย่างนี้แต่บางท่านก็ใช้คําว่าอิติปิโสภะวา่าอิติปิโสภะว่าแม่พ่อเหตุอย่างนั้นก็ไล่ไปเลยเหตุหอาการเป็นป้ารหานนี่แม่พ่อเหตุอะไรแม่พ่อเหตุเลยเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเนี่ย <c oughs> เหตุกว่าที่จะได้ไกลาจากกิเลสเป็นป้ารหัน พร้อมรักถ้าเป็นพระอรหันด้วยแล้วก็ล้าวาสนาได้ได้ด้วยเนี่ยเหตุผลในการที่พระผู้มีพระรเจ้ากว่าจะได้ตัดสู้เป็นพระพู้ไเจ้าเป็นพระอรหันนะแล้วก็ล้าวาสนาได้ด้วยในสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่ใช่ไหมยี 20. 20่สิบยี่สิบประสงค์ขใช่ไหมนั่นแหละแม้เพราเหตุอย่างนั้นแหละเข้าใจนะเนี่ยถ้ า, ามองอย่างนี้ค่อยถึงเห็นคุณไงถ้าถามว่า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 ไม่รู้จะเลึกไงเลยใช่ไหมงั้นเขาเขาเลึกลักษณะอย่างนี้ก็ลองคิดดูนะว่าถ้าไม่มีคําสอนของพรที่ย่อเน่ะก็สัตว์ที่มืดบอดดีๆนี่แหละอยากรู้เรื่องอะไรอาจจะรู้ไหมว่าเนี่ยเขามีพระจะรู้ไหมอ่อกรณีที่มาใส่บาตร ท, ทาบุญก็รู้ประเพณียังไม่รู้เลยถ้าพุทธศาสนาไม่มีกม็มีประเพณีอยู่แล้ว ไม่ต้องพูดถึงศาราพระธรรมที่เราจะเข้าไปถึงแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การเดินสีกขาสามเป็นปัจจัยการพ้นทุกข์อันนั้นอันนั้นยิง่งยิ่งไม่ต้องมีเลยก็อยู่อย่างมนุษย์ว่าเวย่ยอย่างมนุษย์อย่างว่าเวยเหมือนกับชาวลังกาที่เขาเคยขาดเนะี่ยเคยขาดพุทธศาสนาไปช่วงหนึ่งแล้วเขาเดือดร้อนได้เป็นไดบตาย น, นีตอนนั้นน่ะโอ้โหเขาโหยหามากใช่ไหมประเทศเขาทั้งประเทศไม่มีพระธรรมคาสอนอย่างเงี้ยโวยก็ เ, เดือดร้อนมากเงี้ย พอเขาได้กลับไปเห็นก็ห่วงดินใช่ไมของเราไม่เคยค่าก็เลยไม่รู้นั้นตรงนี้ก็เอามาระลึกนะเนียก็ว่าไปตามลําดับดังที่ได้กล่าวตรงนี้ก็คือได้กล่าวไปแล้วนะหลายต่ลายครั้งแล้วตามลําดับเริ่มตั้งแต่ที่อารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมได้ว่าาสนาเป็นต้นนั่นนะว่าไปตามลําดับก็แปลว่าว่าไปเยอะแล้วหลายรอบแล้ว ก็คำว่าอะรหังก็แปลว่าไล่ให้ดูอีกทีนะมีอยู่สิบประการเนี่ยเน่ยเอในสิบประการนี้ก็มีอะไรบ้างอะมีของอัตถกาษานะท่านประอัตถกาอาจารย์ท่านนั่นเขไว้เท่าไหร่นั่นเขไว้ห้าพระดีกาอาจารย์อีกหกก็รวมเป็นสิบพอดีนะอะรหังเนี่ยเออเป็นสิบเอดพอดีคุณของพระ ผู้มีพระเจ้าคําว่าละหังเนี่ยนะรวมเป็นสิบเอ็ดพอดีเลยเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาประกอบเหมือนกับคนมีกิเลสใ น, นข้อแรกเนาะข้อที่สองก็คือทําลายค่าศึกคือกิเลสอ น, นุพืชแต่ความเสียหายนี่อธิบายไปแล้วข้อที่สามก็คือทําลายซี่กรรมแห่งสังสารวัชจักรซี่กรรมในที่นั้นเป็นชื่อของเจตนาที่เป็นไปในบุญเจตนาที่เป็นไปในบาปแล้วก็เจตนาที่เป็นไปในเนนชะเนาะอันนั้นก็แปลวา่าเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจสมบัติโดยเฉพาะเลยเนี่ยข้อที่สามเนี่ย ถ้าอธิบายให้ละเอียดจริงๆก็คือยกปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายทั้งหมดนี่นะ จ, ะจะถ้าต้องการอยากจะรู้คุณคําว่าหักซี่กาเมองสังสารและจักแค่ไหนก็ศึกษาปฏิจจสมุปบาทใช้เวลาให้ละเอียดละอองจริงก็ใช้เวลากันหเดือนอย่างปัญญาธรรมดาอย่างเราทดินทั้งหลายเนี่ยเรียนหกเดือนปฏิจจสมุปบาทถ้าปัญญาอย่างรวดเร็วหน่อยเขาเรียนสามเนาะแบบปานกลางนะปัญญาเร็วๆหน่อยใช้เวลาหนึ่งเดือนจบเลย อย่างเราๆก็ใช้เวลามาลเดือนเดียวก็จบเเพราะกลุ่มปัญญาเร็วกันอันนี้ไม่ได้พูดประชดๆเรื่องจริงจะมาพูดเรื่องจริง